ตอนที่184แต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงไม่ได้หรือไงยิ่งไปกว่านั้นผลการเรียนของเธออย่างยอดเยี่ยมต่อให้เป็นพวกนักเรียนเกเรก็แทบไม่มีใครกล้าแต่ต้องยอดดวงใจของอาจารย์เลยเฮ้ร <c oughs> ีชิงพิงถอนหายใจแม่รู้ว่าการสอนลูกชายกับลูกสาวมันไม่เหมือนกันแต่ไม่นึกเลยว่าเด็กผู้ชายจะได้รันได้ขนาดนี้ไม่รู้ว่านิสัยแบบนี้ไปเหมือนใครมาไม่เหมือนแม่ก็ต้องเหมือนพ่อสิคะยังไงเสียก็ต้องเหมือนใครคนใดคนหนึ่งในสองคนนี้แหละ ลิชิงพิงครุ่นคิดในใจวันหลังต้องลองไปถามแม่สามีดูเสียหน่อยว่านิสัยของเด็กคนนี้เหมือนเจ้งางวินชงตอนเด็กๆหรือเปล่าครั้งนี้ลูกอยู่บ้านต่ออีกสักสองสามวันนะตั้งแต่ลูกเข้ามาหาวิทยาลัายแม่ก็ได้เจอหน้าน้อยลงทุกทีลิชิงพิงก็เหมือนกับพ่อแม่ส่วนใหญ่ที่หวังว่าลูกๆจะได้อยู่ใกล้หูใกล้ตาบางครั้งไม่ได้เจอหน้าลูกสาวเป็นเดือนในใจเธอก็อดเป็นห่วงไม่ได้แม่ขนูสบายดีแม่ไม่ต้องกังวลแทนหนูหรอกคะ่ะ แม่รู้ในบรรดาลูกๆทุกคนลูกเป็นคนที่ทําให้แม่เบาใจที่สุดแล้วรวมถึงเศร้าเหิงด้วยลีชิงพิงพูดพรางนึกอะไรขึ้นมาได้จึงเปลี่ยนหัวข้อสนทนาแม่พบว่าลูกมีหัวทางการค้าดีมากแถมสายตายังเฉียบแหลมครั้งก่อนที่ลูกบอกให้แม่เอาเงินที่มีเกือบทั้งหมดไปลงทุนซื้อบ้านลนะตอนนี้ที่ดินไม่กี่ผืนที่แม่ซื้อไว้ราคามันพุ่งสูงขึ้นจริงๆด้วยตอนนี้มูลค่าเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าสิบเท่าแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนยังมีนักพัฒนาอสังหาริมทรยมมมาาาาาาขขออ้ททีีี่่ดนนงวะาคคเเเเสสก็ห แม่ยังลังเลอยู่เลยว่าจะ้ะขายดีไหมพื้นที่แถวนั้นจะมีการพัฒนาขนาดใหญ่หรอคะลหวานขมวดคิ้วหากเป็นการพัฒนาพื้นที่เป็นวงกว้างจริงการขายทิ้งตอนนี้ก็นับว่าดีเพราะสามารถเปลี่ยนเป็นบ้านได้หลายหลังแต่ถ้าเป็นแค่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายย่อยก็ไม่มีความจําเป็นต้องขายแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลิชิงพิงยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดเธอจึงคิดจะมาปรึกษากับลูกสาวดูว่าทําอย่างไรถึงจะทําเงินได้มากกว่านี้ งั้นแม่ก็ลองไปสืบดูให้ชัดเจนนะคะถ้าคนอื่นเขาขายกันหมดเราค่อยพิจารณาเรื่องขายแต่ถ้าไม่มีใครขายก็ช่างมันเถอะค่ะลิวั์ลองคำนวณดูตามสถานการณ์ของครอบครัวในตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นต่อให้ได้เงินทุนกลับมาในมือสุดท้ายก็ต้องหาทางลงทุนใหม่อยู่ดีคุณยาของลูกก็ซื้อที่ดินไว้สองสามผืนไม่ใช่เหรอที่ดินที่ท่านซื้อไว้ราคาก็ขึ้นเหมือนกัน ที่ดินที่เจ้าชุนฮวาซื้อไว้นั้นหากขายต่อในภายหลังคงทำกำไรได้มาหาศาลเงินก้อนนี้สามารถเอาไว้ใช้ซื้อบ้านและแต่งมีให้พวกเสี่ยวซิงได้เจ้งเศร้าอย่างเองอีกสองปีก็ถึงวัยที่ต้องหาคู่ครองแล้วผลการเรียนของเขาอยู่ในระดับปานกลางสอบเข้ามาหาวิทยาลัย ไ, ไม่ได้จึงตั้งใจจะเข้ากองทัพเพื่อฝึกฝนตัวเองสักสองสามปีลี่ชิงผิงคิดว่าลูกๆในบ้านเริ่มทยอยถึงวัยแต่งงานมีครอบครัวกันแล้วก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าวันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินทั้งเศร้าอย่างและเสี่ยววานต่างก็โตกันหมดแล้ว ลิวานคุยสเพเรกับแม่สองแม่ลูกไม่ได้นั่งคุยกันแบบนี้มานานมากแล้วลิวานคาดเดาวไม่ผิดหยวนรองบักหน้ามาหาเธอจริงๆช่วงที่ผ่านมาเขาเพยายามหาหมอมรักษาลูกชายไม่น้อยแต่ก็ไม่มีผลอะไรเลยถึงขั้นไปขอร้องศาสตราจารย์เทาเซียโดยตรงแต่ผลปรากฏว่าท่านผู้เทาไม่ยินดีจะช่วยเลยแม้แต่น้อยเรื่องนี้ทําให้หยวนรองร้อนใจจนแทบคลั่งหยวนรองลดตัวลงพูดจะดีๆกับลิวาน นังหนูแกนี่ใจคอโหดเหี้ยมจริงๆต่อให้ลูกชายฉันจะทำอะไรผิดไปฉันก็หวังว่าแกจะให้โอกาสเขาได้กลับตัวกลับใจสักครั้งฉันขอรับรองกับแกตรงนี้เลยว่าต่อไปลูกชายฉันจะไม่โผล่หน้ามาให้แกเห็นจนรำคาญตาอีกไม่ว่าแกจะเสนอเงื่อนไขอะไรมาเราก็ยอมตกลงทั้งนั้นแบบนี้พอใจหรือยังหนห้องตรวจในโรงพยาบาลศาสตราจารย์เท้าเซียนั่งเงียบอยู่ด้านข้างหลีหวนันเพียงแค่ปลายตามองเขาอย่างเย็นชาไม่ได้คะ่ะแล้วแกจะให้ทำยังไงหรือแกจะทำลายลูกชายฉันจริงๆ เขายังหนุ่มยังแน่นจะให้เขาใช้ชีวิตเหมือนคันทีไปทั้งชีวิตแกไม่คิดว่ามันใจร้ายกับเขาเกินไปหน่อยเหรอหยวนรองเริ่มร้อนรนถ้าแกยังโกรธแค้นอยู่ก็มาลงที่ฉันนี่ปล่อยลูกชายฉันไปเถอะนี่ของลูกพ่อต้องเป็นคนชดใช้คุณแน่ใจเหรอคะหลีหวันเลิกคิวอย่างนึกสนุกคุณเต็มใจจะชดใช้แทนลูกชายจริงๆเหรอหยวนรองถึงกับเบ้กินทันทีถึงแม้ตอนนี้เขาจะมีอายุมากแล้วแต่ข้างนอกเขาก็ยังเลี้ยงเด็กสาวสาไว้หลายคน หากต้องสูญเสียความสุขในฐานะผู้ชายไปชีวิตที่เหลือของเขาก็คงไร้รชสชาติสิ้นดีฮือศาสตราจารย์เท่าเสียยอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาแม่หนูหลีคนนี้จับจุดอ่อนของคนประเภทนี้ได้อยู่หมัดจริงๆพ่อลูกคู่นี้มันเชื้อไม่ทิ้งแถวกันเลยลูกชายสันดานเป็นยังไงคนเป็นพ่อก็สันดานเป็นอย่างนั้นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันถือว่ากำจัดภัยให้สังคมนอกจากเรื่องนี้ละ่ะยวนรองกัดฟันกรอด ฉันรู้ว่าพวกแกจ้องจะเอาหุ้นในบริษัทของฉันอยู่ไม่ใช่เหรอฉันยอมขายให้ก็ได้แถมมันจะขายให้ในราคาต่ําสุดของตลาดด้วยต่อให้คุณไม่ขายต่อไปเศร้าเหงิงก็ต้องมีวิธีเอาหุ้นในมือคุณไปจนหมดอยู่ดีนี่ไม่ใช่เงื่อนไขที่คุณควรจะเอามาต่อรองค่ะงั้นแกก็ว่ามาฉันว่าก็เอาตามที่คุณพูดเมื่อกี้แหละคะหรือว่านะทวนคํายังไงเสียในบรรดาพ่อลูกสองคนนี้ก็ต้องมีคนหนึ่งที่ไม่ได้สัมผัสกับความสุขในเมื่อคุณไม่อยากให้ลูกชายต้องทอรมานงั้นก็เปลี่ยนมาเป็นนคุณแทสิ คุณเองก็อายุมากขนาดนี้แล้วยังจะไปทาตัวเป็นมแมลงวันตอมดอกไม้ข้างนอกอีกก็ไม่ใช่คนดีเดะอะไรเหมือนกันนั่นแหละหยวนรองไม่ยอมรับข้อเสนอของเธอเขามีลูกชายถึงสามคนต่อให้ไม่มีลูกชายคนที่สองต่อไปเขาก็ยังมีหลานชายให้เชยชมอยู่ดีอย่างมากที่สุดก็แค่เลี้ยงลูกชายคนนี้ให้เหมือนลูกสาวไปเสียหยวนรองยกมือขึ้นตบโต๊ะอย่างแรง ลิวันแกยังไม่ทันจะแต่งเข้าบ้านเราแกก็กล้ามาข่มขู่ฉันถึงขนาดนี้แล้วฉันอยากจะรู้นะักว่าแกกับหยวนเศร้าเหิงจะเดินไปด้วยกันได้ถึงที่สุดหรือเปล่าคิดจะแต่งเข้าระกูลหยวนของเรานะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกใครบอกว่าฉันอยากแต่งเข้าบ้านคุณกันคะบ้านคุณมีอะไรน่าพิสมัยนักหนาหลิหวันแซงทาท่าทางผ่อนคลายพลางยักไหล่แต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงไม่ได้หรือไงคะถึงตอนที่พูดเท่าทั้งสองไม่อยู่แล้วใครหน้าไหนจะกล้ามาคัดค้านอีกละ่ะแก หยวนรองได้สัมผัสกับตัวเองแล้วว่านังเด็กเหลือขอ ค, คนนี้ฝีปากกล้าเพียงใดริมฝีปากของเขาสั่นระริกด้วยความโกรธดีฉันจะจำแกไว้เราได้เห็นดีกันแน่ได้แค่จะเห็นดีกันยังไงก็เชิญเลยหลีหวานไม่เกรงกลัวเขาแม้แต่น้อยตอนนี้ศาสตราจารย์เท่าเซียเลื่อมใสในความกล้าหาญของหลีหวานจริงๆหากเป็นคนอื่นคงไม่มีความกล้ามากขนาดนี้แม่หนูหลีคนนี้ช่างน่าสนใจจริงๆ รูว่าในาเธอหาแฟนทั้งทีแต่กลับดึงเอาเรื่องยุ่งยากมาใส่ตัวตั้งมากมายเธอไม่เคยคิดบ้างหรือว่าพวกเธอสองคนอาจจะไม่เหมาะสมกันการหาผู้ชายสักคนควรจะหาคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงเรียบง่ายนี่ขนาดยังไม่แต่งงานยังวุ่นวายขนาดนี้ต่อไปจะทํำยังไงหรือว่าทั้งชีวิตนี้เธอจะไม่มีจุดอ่อนเลยผู้ที่แข็งแกร่งย่อมไม่มีจุดอ่อนค่ะอีกอย่างเรื่องยุ่งยากบางเรื่องก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยลงหน้าหนูไม่มีวันรอให้ปัญหาเดิน ม, มาหาถึงที่หรอกค่ะหลีหวานยิ้มอย่างมั่นใจ อาจารย์ไม่ต้องกังวล น, นะคะตอนนี้ครูไม่เข้าใจพวกวัยรุ่นอย่างพวกเธอจริงๆหวานโมนะไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ดูเหมาะสมกับเธอมากที่สำคัญที่สุดคือพวกเธอคุยภาษาเดียวกันต่อไปก็ยังก้าวหน้าไปด้วยกันได้คนดีๆแบบนั้นไม่เอาดันไปเลือกคนอื่นเสียได้